ซพ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้โนแน่มีใจดวงเดียวเท่านี้ที่เราจะฝึกขนอยู่เนี่ยกายนี่เป็นที่อาศัยของจิตร่างกายนี่เราจะประครบประงมยังไงยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ย่งยืน ให้ได้ส่วนจิตนี่ถึงแม้มีรูปร่างก็จริงอยู่หรอกแต่เมื่อเราฝึกเข้ามากๆเข้าไปแล้วมันยิ่งเข้มแข็งเข้าไปยิ่งตั้งมัน่นยิ่งไม่ห ว, วั่นไหวไม่เหมือนอย่างร่างกายร่างกายนี่มันจะฝึกยังไง ให้มันคงทนถาวรมันก็คงทนไม่ได้เพราะธรรมชาติของมันมันมีเกิดแล้วมีแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาส่วนจิตนี้ไม่มีรูปร่างแค่ว่ามันอ ม, มีอิทธิพล เล่นลอนไปในภพสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบตั้งแต่เที่ยวเกิดเที่ยวตายที่ร่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะมันรึกชาติหนหลังไม่ได้เฉยเฉยดอกแท้จริงมันนานแสนนานนะแต่ละคนนะที่ดวงจิตนี่มัน เทีาา่ยวมาใสขันห้าอันนี้สวยทุกสวยทุกบ้างสวยทุกบ้างเป็นมาอย่างนี้อะ น, น, านานแสนนานที่ร่วงแล้วมานะไปพากันทบทวนดูให้ดีเกิดมาชาติได้ก็มาบริโภคกรรมคุณนะแหละ จิตใจก็ไม่กำนัน ด, ดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นลดเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนี่นะมันก็เป็นมาอยู่อย่างนี้จิตนี่บางทีก็ได้พบพระพุทธเจ้าหรือพบศาสนาของพระองคหอ์หรือได้พบพระฤาษีหรือได้พบพระปทธเจ้า เนี่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสทำบุญถวายทานรักษาศีลไปแต่ว่าบุญบารมียังไม่แก่กล้าพอยังไม่เต็มพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเล่รล่อนมา เที่วเกิดเทีเ่ยวตายมาในสงสาร น, นี้ก่อนนี่พูดสําหรับผู้ที่มีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อบาปมื่อเพียรสั่งสอบสมบุญให้เกิดขึ้นและเพียรละบาปให้หมดไปสิ้นไปแต่สำหรับผู้สนใจในเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่ไปตามยถากรรมนั้น มีอยู่เป็นจำนวนมากทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าบางชาติถึงเกิดมาพบพุทธศาสนาหรือพบพระพุทธเจ้าแต่ความเชื่อความเลื่อมใสไม่แรงกล้าทำบุญทุนทานอะไระเล็กน้อยน้อยไปการปฏิบัติกายวาจาใจของตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนน้อยเต็มที ไม่เอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นน่ะเกิดมาชาติใดพบใดมันจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาไม่สนใจในชีวิตของตัวเองว่าทำยังไงตนจะพ้นจากทุกนี้ได้ไม่สนใจในเรื่องความทุกข์ของชีวิต ถูกตัญหามันฉาบทาเอาแล้วก็เพลิดเพลิน ม, มัวมเมาไปในกา ม, มคุณทั้งห้ามีโรคเป็นต้นอยู่อย่างนั้นแหละไปบางคนก็ตื่นตัวได้ในเวลาอายุมากแก่เข้ามาบางคนก็ตื่นตัวไม่ได้เลยหลับไล่ไปตามอำนาจของกิเลสตัญหาอย่างนั้น จนถึงวันตายก็มีนี่แหละคนเราเกิดมาในโลกนี้จงึงว่ามันมีความเป็นอยู่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยลองคิดดูลองอนุมานดูเรื่องการละชั่วทำดีไม่มีกฎหมายบังคับ เขามีกฎหมายบังคับเกาะยานยานอย่างทางบ้านเมืองเขาบัญญัติกฎหมายขึ้นนั่นนะไม่ไม่เข่งคลัดไม่ลอกคอกไม่สามารถที่จะป้องกันบาปกรรมได้เหมือนอย่างทําเหมือนอย่างวิทยในที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้ออันนี้มันเป็น ข้อบัญญัติที่ห้ามมาให้ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงเลยไม่ไม่ไม่ละเว้นขึ้นชื่อว่าความชั่วขึ้นชั่วการเบียดเบียนกันแล้วนั่นคงห้ามหมดเลยอืมแต่กฎกฎหมายบ้านเมืองห้ามเป็นบางอย่างการเบียดเบียนกันบางอย่างก็ไม่ห้ามก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนั่นเนี่ยนั่น อันนี้แหละถ้าทำคำสองพระพุทธเจ้าจึงว่ามันเป็นนิยานิกรรมำนำผู้บุพตพปฏิบาตามให้พ้นทุกพ้นภัยไปได้จริงๆเพราะว่าพราะองค์รู้แจ้งแทงตลอดความดีความชั่วตั้งแต่อย่างงาบจนถึงอย่างละเอียดดังนั้นพูดถึงบัญญัติถ้าม แม้ทำบาปก็จึงบัญญัติห้ามละเอียดเช่นปาณาติบาตอย่างนี้นห้ามฆ่าสัตว์อย่างนี้นปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตสัตว์ทั้งหลายจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ถ้ามีชีวิตไปมาได้มองเห็นด้วยตาอย่างนี้นะห้ามฆ่าทั้งนั้นเลยอันนั้ไอ้เรื่องวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัตินะ แต่กฎหมายบ้านเมืองไ ม, ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะก็คงรู้กันน ะ, นะเอามาเทียบกันดูดังนั้นน่ะพระธรรมวินัยคำสอนของพระเทเจ้านี่ชื่อว่าเป็นนิยานิกระทำนกผู้ฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากที่เลสและกองทุกข์ทั้งหลายไปได้จริงๆ ทีนี้บรรดากิเลสทางหลายถ้าคนไม่มีบุญไม่มีปัญญามันแทบจะไม่รู้จักกิเลสท้ําเลยมันไม่ไ ม, ไม่ไม่สนใจทั้มเลยมไม่สนใจเมื่อไม่สนใจแล้วมันก็คิดไม่เห็นว่ากิเลสมันจะพาให้เกิดทุกข์อย่างไรมันไม่คิดเลยนั่นแหละ คนผู้หนาแน่นไปด้วยอวิชชาตันหาครอบงามอยู่แล้วอวิชชาตันหามันไม่ให้คิดมันไม่ให้ดำริเลยมันครอบงามไว้หมดเพราะว่าตนเองไปสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่อดีตชาติถนหลังนู้นมาสะสมมันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีแต่สร้างกิเลสตัหใหาหนาแน่นขึ้นอย่างนี้ ที่เลเหล่านี้มันก็มีอำนาจเหนือจิตใจมันก็บังคับไม่ให้คิดไปในทางที่ดีมันบังคับให้คิดไปแต่ในทางชั่วทางเป็นบาปเป็นกรรมทางที่เรียกว่าไม่ไม่ไม่เป็นทางออกจากทุกข์นั่นแหละมันบังคับให้เดินทางนั้นเลยทางใดมันจะเป็นไปเพื่อความบืทุกข์มันบังคับไว ไม่ให้ไปนี่ลองสังเกตดูให้ดีทีนี้ผู้ที่มีศรัทธาเกิดมาในชาตินี้ได้มาพบพุทธศาสนาเขาแล้วก็ยินดีในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นการยากลำบากนี่นะว่ามผีผู้มีบุญมาก ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอวิชชาตัณหาโดยส่วนเดียวผูามีบุญเป็นที่พึ่งมาในสงสารนี่นะเกิดมาในโลกนี่บุญก็จึงโดนบันดาลให้พอใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลื่อมใสว่าพระคุณสร้างสามนี่เป็นของประเสริฐจริง เป็นที่พึ่งกำจัดทุกข์ภัยได้จริงๆจึงยินดีกราบไหว้สักการะบูชาแล้วยินดีปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์เจ้าแสดงเรื่องใดที่เป็นบาปเป็นโทษทรงสอนให้ทรงมัญญาห้าไม่ให้ทำไม่ให้พูดก็ไม่ทำไม่พูดคนที่มีบุญ บารมีแก่กล้านําเป็นอยางไงเนี่ยพยายามเว้นความชั่วตามที่พระองค์เจ้าทรงห้ามไว้เรื่องใดสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอุบายสำหรับกาจัดกิเลสตัใหา้นยเบาบางออกไปจากกิจใจก็ยินดีพอใจรับเอาไปประพฤติธปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจจริยยง เหมือนอย่างผู้มีเกียรติทั้งหลายได้มอบของมีค่าให้เมื่อได้รับของมีค่านะั้นแล้วก็ดีอกดีใจเอาไปเก็บรักษาไว้ไม่สูญหาย อ, อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยพระธรรมคำสองอุทตเจ้าในหาค่าไม่ได้ค่าจนไม่มี ไมจะตรีราคาไม่ได้ไหมายเขา้ามาอย่างนั้นเนี่ยผู้ผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นนะแต่ผู้ขาดปัญญาแล้วก็อย่างว่านั่นนะ่ะจะมีค่าหรือไม่มีค่ามันไม่สนใจกันหรอกผู้มีปัญญา้วเห็นว่าพระธรรมคาสอนนี่กระเสิรจริงๆเพราะว่าที้หนทางให้รู้จักว่าทางนี้เป็นทางชั่ว ไปสู่ทุกทางนี่เป็นทางดีดาเนินไปสู่ความสุขความเจริญอย่างนี้นะพระองค์ชี้ไว้ยอย่างนี้นะผู้ดใดดําเนินตามทางที่ดีมันก็จเจริญไปได้จริงๆมีความสุขสบายใจถ้าผูใ้ใดเดินไปทางชั่วที่พระองค์เจ้าชี้บอกไว้ก็ไม่ให้เดินก็ยังฝืนเดินไปมันก็ได้ประสบกับความทุกข์ทั้งในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้อง ไม่ต้องหมายเอาว่าจะไปสวยทุกแต่ในโลกหน้าอย่างเดียวเช่นอย่างทรงสั่งสอนให้ฝึกขอนจิตใจอย่างนี้นะบอกอุาวิธีต่างๆให้อา้าไม่พอใจแล้วไม่สนใจอยากจะฝึ ก, กจิตใจนี่เลยก็เลยไม่น้อมรับเอาพระกรรมฐานที่พระองค์ทรง สั่งสอนแสดงไว้แล้วนั้นนะแม้แต่ข้อเดียวไม่สนใจที่จะพิจารณาพระกรรมฐานทั้งสี่สิบข้อนั้นหรือเรื่องวิปัสสนาญาณเก้าหมืนนี่มีอยู่ในตำรับตำลาไม่สนใจจะดูจะอ่านจะท่องจำนึกว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญนะั่น แค่ที่จริงเป็นเรื่องสำคัญนี้สำหรับผู้เบื่อทุกในสงสารอยากจะพ้นจากทุกข์อย่างนี้มันก็ต้องสนใจในข้อในธรรมะเหล่านี้แหละอันเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสอันเป็นเหตุให้วนเวียนเกิดกแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่ก็มีพระกรรมฐานสี่สิบข้อนี่ ผู้ใดพอใจชอบใจกับกรรมฐานอันใดก็เอากรรมฐานอ น, นั้นไปตั้งไว้ในใจตัวเองพอใจเจริญพระกรรมฐานอ น, นั้นให้มันเจีมแจ้งขึ้นในใจเมื่อพระกรรมฐานนั้นเจ็มแจ้งขึ้นในใจแล้วใจก็สงบแล้ววนนี้ใจก็เยือกเย็นสบาย เพาราะว่ากรรมฐานแต่ละอย่างนะั้นมันเป็นเครื่องระ ง, งับกิเลสอยู่ในตัวเช่นผู้รักสวยรักงามอย่างนี้นะเมื่อมาเพ่งร่างกายนี่มันเห็นเป็นอสุภะอสุพังของไม่สวยไม่งามอย่างนี้นิมิตอันไม่สวยไม่งามนี่ปรากฏในจิตใจครัใจมันเห็น ร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ไม่สวยไม่งามมันก็ย่อมเห็นกายผู้อื่นหรือเพศกงกันข้ามก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันเพราะปรุงขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดจะเป็นเพศไหนก็ตามอันนี้แหละเมื่อเมื่อพ่งกรรมฐานเรานี่ยนะ ให้ปลาให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมาแล้วความรักถวยรักงามนั้นมันก็ค่อยบันเทาไปเพราะมันมองเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเลยไอ้ที่มองกันดูผิวเผินว่าเป็นสิ่งที่น่ารักนั้นก็ด้วยอาศัยการประดับตกแต่งเฉยๆอกอกร่างกายอันนี้ถ้าไม่ประดับตกแต่งแล้วดูไม่ได้เลย ปล่อยตามยาถากรรมอย่างนี้นะดูไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะต้องดูให้มันละเอียดดูเข้าไปถึงข้างในอย่าไปดูแต่ผิวนอกอย่างเดียวนี่นหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญพระกรรมฐาน น, นะ เ, เพื่ออะไรล่ะเพื่อที่จะเปลื้องขิดที่มันตกเป็นทาต ของราคะตัณหามานับชาติไม่ถ้วนแล้วให้มันเบาบางออกไปจากกิจใจนี่ราคะความกำหนัดยินดีต่างๆนั่นนะให้มันค่อยเบาไปเบาไปเบาจริงๆนะถ้าเจริญพระกรรมฐานนี่ไม่ท้อไม่ถอยแล้วความกำหนัดยินดีนี่กับเบาคลายออกไปคลายออกไปเรื่อยๆนะ ก็เพราะมันเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะไม่ให้มันคลายออกได้ยังไงแล้วเหมือนอย่างเราเห็นของโสโคกอยู่ภายนอกอย่างนี้นหะเมื่อรู้ว่าของทีนี่เป็นของโสโคกแล้วมันไม่ต้องการจะไปจับไปต้องมันเลยมีตะลีก่ก้ อย่างนี้แหละจิตใจนี้ก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าเมื่อมันเพ่งเห็นรูปเห็นร่างกายของตนเองและผู้อื่นนี่มีสภาวะเหมือนกันนะมีความไม่สวยงามไม่งามเป็นลักษณะมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่นะ ไม่ทรงใจไปผูกพันกับรูปร่างกายอันนี้มันก็หดตัวเข้ามาสงบอยู่แต่โดยลำพังมานี้นะไม่ส่งกระแสะออกไปยึดไปถือรูปร่างกายอันนี้ด้วยความรักความชังความเกลียดนี่เรียกว่าทวนกระแสะกลับพูดอีกในหนึ่งนะเมื่อเห็นนิมิต เห็นอสุภะนิมิตรปรกากฏอย่างนั้นแล้วก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ทวนกระแสจิตกลับไม่ไปยึดถือมันปล่อยทิ้งวางวางทิ้งไปตามสภาพของมันจิตก็มาสงบนิ่งอยู่ในโดยลําพังในปัจจุบันนี้ปล่อยให้ร่างกายนี่มันเป็นไปมันแปรผันไปตามเรื่องของมัน รูปอื่นนะ้ำอื่นก็เหมือนกันมเมื่อเราไม่สนซะอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยบรรดารูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายในโลกนี้นะมันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวสำคัญขึ้นเพราะใจเกิดไปชอบกับมันไปสนใจกับมันต่างหากหลางลองคิดดูให้ดี ถ้าไม่สนใจกับมันแล้วมันไม่มีอะไรนะมันก็มีแต่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นนะ่ะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมบัตทั้งหลายในโลกนี้นะตลอดถึงรูปร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็อาศัยการเวลาไอ้รูปทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาแล้นะ่ะไม่ใช่เขาเกิดมาปุ๊บก็จิตแตกดับไปปั๊บไปเลย แต่ที่พระศาสดาทรงตรัสว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาก็หมายเอารูปเอานามนี่เองเนอืยแต่มันอาศัยการเวลากลัวมันจะแตกดับลงไปจริงๆน่ย น, นะคนก็มาหลงตรงนี้แล้ววันนี้นะนึกว่ามันจะไม่แตกดับง่ายๆอืมมาหลงตรงนี้ เพราะฉะนั้นพ่อองค์ยิงทรงสอนให้เจริญวิปัสนานะเมื่อทำใจสงบเป็นธรรมะลงได้แล้วเจริญวิปัสนาญาณมองเห็นสังขารนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดาอยู่ยนั่นเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำ มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฟองน้ําก็ดีพยับแดดก็ดีเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นไอร่างกายของคนเรานี่มันมีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ไม่ใช้ปัญญาเพ่งพิจนาหักไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับถ้าเพ่งดู จริงๆแล้วมันก็เห็นแลยเช่นน้ำมูกร่าลายหมุนนี่นะม้วนที่งอกไปน่ะนั่นเรียกว่าลูกมันดับลูกกายอันนี้มันเรียกว่าลูกมันเสียลูกใดมันเสียมันก็ไหลออกมาจากภายในนุน่นน้ำมูกน้าลายน้ําปัสสาวะอุจจาระเหงื่อไข่หมุนนี่นะ มันก็ออกมาออกมาจากภายในร่างกายนั่นเองแล้วอย่างนี้นี่แหละที่ว่ารูปเกิดรูปดับเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปไฟธาตย่อยอาหารให้มันละเอียดละทวนละเอียดนั่นละซึมเศร้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ให้เปล่งปลังอยู่ตามเดิมเมื่อให้สูบถอมลง ให้มีผิวพันธ์พุทธ่องอยู่เพราะอาหารนี่มันไปสร้างเลือดให้เพิ่มเติมขึ้นให้มีอยู่เรื่อยๆไปไปบำรุงเลือดให้เป็นปกติอยู่วิ่งไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลือดเนี่ยไหลไปไหลมาอยู่ในร่างกายเนี่สีเลือดมันก็เลยเปล่งปังออกมาทางผิวหนัง สีเนื้อเขาว่าจะว่าแดงแท้ก็ไม่ใช่จะว่าขาวแท้ก็ไม่ใช่จะว่าเหลืองแท้ก็ไม่ใช่ดังนั้นเขาจึงเรียกว่าสีเนื้อนั่นแหละคนก็มาหลงผิวหลงสีนี่นหะเมื่อสีผิวมันเปล่งปั่งออกมาแล้วมีน้ำมีนวนลวโห้เห็นเขาแล้วชอบใจใหญ่ อันนี้เนี่ยพระศาสนาจึงทรงสอนให้เจริญสมถะกรรมฐานนี่เพ่งร่างกายนี่ให้เห็นส่วนละเอียดของมันเห็นอุปทายรูปรูปอาศัยแหละไอ้สีผิวต่างๆมดนี้นะสีเหลืองสีขาวสีแดงสีดำสีเนื้ออะไรก็แล้วแต่แล่ละสีกุหลาบสีบานเย็น ลายสีในโลกอันนี้นะสีทั้งหมดเรานี้อาศัยรูปใหญ่อย่างสีในร่างกายของคนเรานี่นะก็อาศัยรูปร่างกายส่วนหยาบเนี่ยเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหนะูนี่นะนออันนี้ท่านเรียกว่ารูปใหญ่ ส่วนสีเหลืองสีขาวสีดําสีแดงอันนั้นเดี๋ยว่ารูปน้อยรูปอาศัยรูปละเอียดก็ว่าอืมต้องเพ่งดูให้เพ่งดูรูปอันนี้ให้มันเห็นทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดลงไปอืมเช่นนั้นมันก็จึงไม่หลงจึงไม่หลงรักไม่หลงใครไม่หลงพอใจ ในรูปต่างๆที่มองเห็นด้วยตาไม่ว่านักบวชไม่ว่าเครึหัดมันติดอยู่ในรูปอันละเอียดนี่เนี่ยนันั้นเราผู้เป็นนักบวชในนั้นะมีโอกาสได้เพ่งพิจารณาเต็มที่เลยเพราะว่ากายในยมันภาคออกจากกามมาแล้วภาคออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆ มาแล้วฉะนั้นจึงมีหน้าที่ใดที่เราจะต้องเพ่งพิจารณาดูรูปกายอันตนอาศัยอยู่นี่ทั้งรูปกายคนอื่นให้เห็นตามเป็นจริงอย่างที่ว่านี่แล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกถึงไม่หมดก็ได้ว่าเบาบางออกไป ในขั้นต้นนะ่ะเราเพ่งกรรมฐานเรานี้เข้าไปแล้วใจมันสงบลงบมดนี้อันใจมันสงบจากความรักจากความชังต่างๆนานาหมู่นี้นะมาต่อจากนะัก้นเวก็เจริญวิปัสนาทําไหมมันจึงไปชอบมันนักหนารูปอันนี้นะเอามาตีแผ่ดูสิอย่างนี้เราวิศกขึ้นมาอย่างนี้นะ สมาธิแผ่ออกไปผมกักองหนึ่งขนกับกองหนึ่งเล็บกักองหนึ่งฟันกักองหนึ่งนังกับกองหนึ่งเป็ น, นต้นตลอดถึงอาการสามสิบสองเราเพ่งแยกแยกออกจากกันเป็นกองเป็นกองไปแล้วลองมาถามตัวเองดูสิว่าตรงไหนที่ว่าเป็นตัวตนของเราเป็นของสวยของงามอะ่ะไม่มี หาตัวหาตนไม่พบแล้ววั น, นี้หาความสวยงามไม่มีก็มันมีแต่กองผมขนเล็บกันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่านี้มันมีกองเป็นกองอยู่แล้วของใครของมันอยู่แล้วอันตัวคนน่มันไม่มีเลยวั น, นี่นะ <c oughs> นั่นแหะเพ่งดูกระจายรูปร่างกายนี้ออกดูละมันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่าพากันประมาทความจริงมีอยู่อย่างไรก็ให้พิจารณาอย่างนั้นให้มันเห็นตามสาภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้แล้วสงบจิตอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงตามเป็นจริงดังแสดงมา